วันนี้เป็นวันพระหลายคนก็นิยมนะใช้บาระโอกาสนี้นะในการมาวัดนะเพื่อมาทาบุญเพราะว่าทาบุญแล้วจิตใจก็จะแจ่มใสนะแต่ว่านอกจากการมาทาบุญด้วยการถวายทานแล้วนะควรใช้โอกาสนี้เนี่ยเปิดใจฟังธรรมะหรือว่าใกล้ควรนะถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาเพราะว่า จะช่วยทําให้เรามีสิ่งดีๆติดตัวไปนะเมื่อกลับไปบ้านเพราะลําพังความแจ่มาสเบิกบานจากการมาถวายทานเนี่ยก็ดีนะแต่ว่ามักจะอยู่ได้ไม่นานหลายคนนะพอมาวัดเนี่ยจิตใจช่ำชื้นเบิกบานแต่พอกลับไปบ้านความเบิกบานสดชื่นก็หายไป แล้วก็จมอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นะรวมทั้งนะความทุกขนะ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นตามมาเคยมีโยมกลุ่มหนึ่งนะม า, าไปทำบุญนะที่วัดของหลวงปู่บุตรดาโยมคณะนีนะ่พอไปทำบุญแล้วก็มีความสุขมาก จิตใจแช่มชื่นเบิกบานหลังจากนั้นหลว ง, งปูงป่ท่านก็นสแสดงธรรมหลังจากที่ขณะนี้ั้างคืนหนึ่งคืนที่วัดลุงเช้าท่านคือหลวงปู่บุตรดาท่านก็บอกว่าเนี่ยมาวัดเนี่ยนะเวลามาวัดเนี่ยก็โสดา เต็มวัดเต็มศาลาเลยโสดาในที่นี่คือโสดาบันแต่พอกลับไปบ้านนี่ก็กลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมอันนี้ท่านเตือนสตินะว่าเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยจิตใจสดชื่นแจ่มใสเหมือนกับเป็นพระโสดาบันแต่ก็ระวังนะอย่าให้ ภาวะนี่มันเกิดขึ้นชั่วคราวพอกลับไปบ้านนี่ก็เหมือนเดิมนะนบอกว่าเนี่ยพอกลับไปบ้านนี่ก็บ้านของกูนะเข้าของของกูมันกลับมาก็คือพอกลับไปบ้านเนี่ยกิเลสก็ฟูกลับมาใหม่ ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมาเป็นของกูของกูแล้วก็เลยเกิดความทุกข์ตามมาซึ่งมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวนะอาจจะรถของกูลูกของกูให้ความเป็นโสดาบันหายไปหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งแจ่มใสมันเลือนหายหมดเลยนี่เพราะอะไรนะเพราะว่ามาวัดเนี่ยนะ ก็ไม่ได้เปิดใจนะฟังธรรมะหรือว่าปฏิบัติเพื่อให้ธรรมะเกิดขึ้นกับใจหรือเปิดโอกาสให้ธรรมะที่มันมีอยู่แล้วในใจนี่เนะี่ยเจริญ ง, งอกงามขึ้นอันนี้ก็นับวันนาเสร็จดานะถ้าว่าพอมาวัดแล้วเนี่ยจิตใจเนะี่ยผ่องใสเบิกบานเบโปร่งโล่งเบาสบาย แต่พอกลับไปบ้านนะมันก็รุ่มร้อนหนักอึ้งซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้นะเปิดใจนะใคร่ครวญธรรมะจากการมาวัดเท่าไหร่บางทีท่านก็สอนนะหลวงพ่อหลวงตาท่านก็สอนนะว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทรัพย์สมบัติคนรัก ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นเป็นราเป็นของเราได้แต่คนมาว่าหลายคนก็ไม่ค่อยได้ฟังนะมวัวแ ต, แต่เพลินอยู่กับความปิติความผ่องใสความช่างดีเบิกบานซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็เป็นภาวะอารมณ์ที่เกื้อกูลนะต่อการไตรตรองรับฟังธรรมะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ ไต่ตองจริงๆนะในความปิตินะความปราโมทเนี่ยจากการทำบุญมันก็จะสูญสลายหายไปนะเมื่อกลับไปบ้านแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะนะติดตัวไปธรรมะที่เข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงธรรมะที่ท่านเตือนให้ย้ำถึงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน พอกลับไปบ้านเนี่ยมันก็มีธรรมะนี่แหละที่ช่วยประคองใจรักษาใจไม่ให้หมนหมองเศร้าโศกรุ่มร้อนนะหรือปล่อยให้กิเลสมันกัดกินใจเรียกว่ามาวัดเนี่ยก็เป็นโสดาหรือเป็นเทวดากลับไปบ้านนะก็ยังเป็นโสดาหรือเป็นเทวดาอยู่นะอันนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วขณะเดียวกันก็คือว่าเวลามาวัดเนี่ยนะ ตัวอยู่วัดใจก็ต้องอยู่วัดด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวอยู่วัดในแต่ใจนี่ไปอยู่บ้านไปอยู่ที่ทํางานอย่างนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าแม้แต่ความผ่องสายเบิกบานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าใจมันอยู่ที่บ้านใจอยู่ที่ทํางานมันก็เกิดความหนักอกหนักใจบางทีก็ห่วงทรัพย์ห่วงบ้านนะ พวงลูกนอันนี้เรียกว่ามาวัดแต่ใจเศร้าหมองงั้นก็ให้มาทั้งตัวมาทั้งใจอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันเพราะ่ายุพอใจอยู่กับปัจจุบันนะการที่จะน้อมรับธรรมะหรือเปิดใจรับสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายทำบุญ แต่ว่าใจไปอยู่ที่อื่นความผ่องสายเบิกบานหรือปิติปราโมทก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็ควรจะได้ความปิติปราโมทนะจากการมาวัดจากการมาทำบุญถวายทานแต่ถ้าดีกว่านั้นนะก็ได้ธรรมะไปด้วยได้ธรรมะในทางที่ประเทองปัญญาก็คือความเข้าใจเรื่อง ตายลับความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงนะของสังขารร่างกายแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางนะให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราได้ถ้าเป็นอย่างงี้เนี่ยถึงเวลาเจ็บป่วยนะมันก็ไม่ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่ใช่ว่าพอมาวัดจิตใจแชมพื้นเบิกบานปอกกลับไปบ้านเจ็บป่วยขึ้นมาก็โวยวายว่าทําไม ทำดีแล้วไม่ใดดีทำไมทำบุญแล้วจึงต้องมาเจ็บมาป่วยนะอันนี้พราะไม่เข้าใจความจริงนะหรือสัจธรรมนะว่าจะทำดีแค่ไหนนะหรือแม้เป็นพระรหันเนี่ยก็ต้องเจ็บต้องป่วยนะแม้แต่พุทธเจ้า ก, ก็ยังมีอาพาธและยิ่งถ้าหากรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เท่านั้นนะแต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราด้วยพอยิ่ง เห็นชัดมากขึ้นเร็วว่าร่างกายไม่ใช่ของเราพอร่างกายป่วยเนี่ยมันก็จะใจก็จะเป็นทุกข์น้อยลงนะเรียก ว, ว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเริ่มต้นก็เริ่มแรกก็เพราะว่าเห็นว่ารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์รู้ว่าความเจ็บป่วยต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วและพอป่วยแล้วมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์เพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะในกายนี้อันนีเน้เราเรียนรู้ได้นะจากการที่เราได้มา มาวัดนะหรือถึงไม่มาวัดอยู่บ้านเราก็เรียนรู้ได้จากการที่เราได้ฟังธรรมศึกษาธรรมหรือใครคลวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและสิ่งรอบตัวอันนี้แหละนะคือธรรมอันประเสริฐที่ทาให้เกิดความปิติปราโมชความพ่องายได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดก็พ่องใสเบิก บ, บานอยู่ที่บ้านก็พองายเบิก บ, บานเช่นเดียวกัน